ักปฏิบัติธรรมเราฟังเรื่องความคิดบางทีเราฟังแล้วเพียนคิดว่าความคิดเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องไม่ดีตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจหลัก ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงเห็นกายและจิตนี้ตามความเป็นจริงเราจะยังคงปฏิบัติผิดอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นเราคิดว่าความคิดนี้เป็นอุปสรรคความฟุ้งซ่านนี่เป็นอุปสรรคอุปสรรคที่แท้จริงคือตัวของเราเอง ัวของเราที่ต้องการให้จิตเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้หรือไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นี่คืออุปสรรคที่แท้จริง เราไปฟังคำสอนจิตว่างพอมันไม่ว่างเรามีปัญหาแล้วต้องว่างถึงจะดีไม่ว่างไม่ดี ไปฟังเรื่องสงบกับฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่ดีสงบดีไปฟังจิตสบายกับจิตอึดอัดจิตสบายดีจิตอึดอัดไม่ดี เบื้องหลังคืออะไรตัวเราลำพังจิตใจที่มีอวิชชาความหลงผิดมันก็อยากได้แต่ของดีๆอยู่แล้วมีคนมาบอกเราว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีให้เป็นแบบนั้นแบบนี้อีก ยิ่งประทับตราตรึงเข้าไปว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะดีและเราเองต้องโทษตัวเองฉลาดไม่พอเองที่จะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการเห็นตามความเป็นจริง ไม่ต้องโทษคนอื่นมีคนเคยถามหลวงปู่ดูลบอกว่าเอ๊ะทำไมที่นั่นเขาสอนอย่างนี้ที่นี่เขาสอนอย่างนั้นหลวงปู่บอกเขาสอนเท่าที่เขารู้ เขาไม่ได้จะโกหกเราหรอกแต่เขาสอนได้เท่าที่เขารู้แค่นั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องฉลาดเองมีปัญญาเองรู้จักแยกแยะอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทาง ไม่ใช่มีแต่ความเชื่อความศรัทธางมงายไปเรื่อยๆมันไม่พ้นก็สวยที่ตัวเองนั่นแหละคำสอนที่หลวงพ่อสอนผมสอนเหมือนกัน ฟังแล้วใช้ปัญญาให้มากไม่ได้ใช้ความเชื่อความศรัทธาความงมงายการที่เรามีตัวเรา อยากให้จิตเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้รู้สึกไหมว่ามันเป็นความไม่อิสระเราติดอยู่เราติดอยู่กับไอเดีย ติดอยู่กับความสุขถ้าเรายังติดอะไรอยู่และยังทำอยู่อย่างนั้นเราจะถึงความเป็นอิสระได้ไหม เส้นทางที่พระเจ้าสอนเราทุกคนจุดสูงสุดของศาสนาพุทธคือเส้นทางไปสู่ความเป็นอิสระ ่าานงใช้ค้ควหลุดพถ้าเราหลุดพ้นจากอะไรก็เป็นอิสระใช่ไหมถามตัวเองมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เคยรู้สึกถึงความอิสระบ้างไหมมาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติผิด จะเอานี่เอานั่นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีต้องอย่างนั้นถึงจะดีติดอะไรอยู่ไม่ดีต้องหลุดถึงจะดีมันมีดีไม่ดีได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าของมัน ถ้าคนอื่นติดแล้วก็เฉยๆใช่ไหมแต่พอเราติดนี่ไม่ดีอ่ะต้องแก้หาทางปล่อยวางเดือดร้อนทำไมเพราะมีความเป็นเจ้าของเพราะนั้นจิตใจเราจะต่างอะไรกับตอนที่เรายังไม่ปฏิบททัติธรรมมันก็เหมือนกันนะ ทำนิสัยเดิมบางคนก็จะบอกว่าว่ามันจิตมันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช่หรอกมันเราเองนั่นแหละเป็นแบบนั้นจะเอาดี ไม่ดีทนไม่ได้เป็นกันใช่ไหมไปคิดละอุ้ยไม่ดีอุ้ยหงส์สั้นต้องกลับมารู้สึกตัวเป็นแบบนี้กันไหม กับผมบอกอีกแบบหนึง่งจิตไปคิดแล้วรู้ไปคิดแล้วมันกลับมาที่ความรู้สึกตัวรู้อ๋อความรู้สึกตัวเกิดแล้วอันนี้มีไหมไม่ดีกับดีทำคล้ายๆกันนะแต่ถ้าหัวใจการปฏิบัติ มันอยู่กับคนเราหัวใจเนี่ยมันไปคนละทางเลยนะเดินคนละเส้นเลยนะสองคนพูดเหมือนกันเปรียบเลยอธิบายออกมาว่าปฏิบัติยังไงเหมือนกันเปรียบเลย แต่คนละใจเพราะนั้นมีใจที่เห็นตามความเป็นจริงนี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่อิสระภาพได้ พอเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเจตใจนี้จะเกิดความเข้าใจพอมันเข้าใจเนี่ยมันเป็นกลางเหมือนเรามีแฟนมีสามีมีภรรยาหรือมีลูกหรือลูกมีพ่อมีแม่กเหมือนกันเรียกว่าคนที่มันอยู่ด้วยกันเราก็รู้ธาตุแท้ของมันใช่ไหม แต่และคนรู้ท่าแท้ของกันและกันทุกคนมีนิสัยไม่ดีแต่ทำไมเรายังอยู่กันได้เพราะมันเกิดการเห็นตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจภาษาพวกเราก็จะแบบเออก็เขาเป็นอย่างนี้แหละ เนี่ยทำไมเออเขาเป็นนีืแปลว่าอะไรมันเข้าใจมันก็ไม่เดือดร้อนแล้วเป็นกลางเป็นกลางแล้วเป็นไงพราะอิสระจากจา ก, การกระทำของไอ้คนคนนั้นที่เราต้องอยู่ด้วยมันก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละออแต่เราไม่ทุกข์แล้วเว้ยไม่มีอิทธิพลกับเราแล้ว ทำไมหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรเห็นตามความเป็นจริงจนเข้าใจแล้วก็เป็นกลางแต่ถ้าเราคอยแก้เขาอะทำไมยังทำอย่างนี้อยู่ต่อไปห้ามทำอย่างนี้แล้วนะเธอต้องดีกว่านี้ แก้มันจนตายอมันก็แก้ไม่ได้เราแล้วก็มีแต่คนทุกข์ในที่สุดเพราะว่าไม่มีใครเป็นกลางเลยเหมือนเราปฏิบัติธรรมเราก็จะแก้จิตใจเนี้ยให้มันดีอย่างที่เราคิดให้ได้จัดแจงปรับแต่งหรือทำอะไรที่เราชอบทำนะทาให้มันดีอย่างที่เรา คิดว่ดีฟังมาวาดีคนสอนมาว่าดีถ้าเราทําแบบนั้นมันก็เหมือนเราพยายามปรับแฟนเราปรับลูกเราปรับสามีภรรยาเราปรับจนตายทุกข์เหมือนเดิมเพราะเราเริ่มผิด เวลาปรับมัน่สังเกตไหมมันแนบเนียนไหมเราปรับลูกเราปรับเมียเราปรับสามีเรามันดีได้แป๊บเดียวเหมือนเราทําจิตให้มันดีสบายว่างส ง, งบไม่ทุกข์อิสระแต่แป๊บเดียวเหมือนเดิมพอปรับอีกก็เหมือนกับ ด่ามันอีกราไมมึงยังทำแบบนี้อีกเพราะนั้นนี่ไม่ใช่ทางเปรียบเทียบง่ายๆให้ฟังแบบนี้ทางมีทางเดียวเห็นตามความเป็นจริง อย่าไปเลอะเธอขนาดว่าต้องทำอย่างอื่นก่อนถึงจะเห็นตามความเป็นจริงได้บางคนก็เพี้ยนขนาดโอ้ก็ต้องไปทำผิดก่อนถึงจะรู้ว่าถูกเป็นยังไงมีบ้าเลยนะฟัง ธรรมะครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาผสมเละเทะหมดแยกแยะอะไรไม่ได้คำว่าผิดก่อนถึงจะรู้ว่าถูกคือหมายความว่าเรารู้หลักแล้วเห็นตามความเป็นจริงอยู่นี่แหละแล้วเดี๋ยวมันเดือดร้อนแล้วมันอดทนเห็นไม่ได้ มันเข้าไปทำอะไรละหลงไปละนี่คือเรียกว่าอยู่ในทางนี้แหละแต่มันเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาบ้างเขาเรียกว่ามันต้องมีผิดแล้วก็จะรู้ว่าถูกเป็นยังไงไม่ใช่ไปทำผิดคือไปคนละเส้นทางเลย แล้วบอกต้องไปนู่นก่อนเราค่อยมานี่ได้นี่เพี้ยนนะผมเห็นคนใกล้ตัวผมนปฏิบัติธรรมมาไม่รู้กี่ปี ผมถามว่าทำไมต้องกลับมารู้สึกตัวเขาบอกว่าเอ้ก็ไปคิดไม่ดีเนี่ยจะให้ไปอยู่ในความคิดเหรอผมบอกว่ารู้สึกไหมว่ารู้สึกตัวนี่มันดีไปคิดนี่มันไม่ดีจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นเนี่ย เจ๊งตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักเพราะนั้นไม้เข้าใจว่าเราจะไปสู่อิสรภาพได้ ดยการเห็นตามความเป็นจริงเพราะการเห็นตามความเป็นจริงจะพาจิตใจนี้เข้าถึงความเป็นกลางและความเป็นกลางต่อสปปรรพสิ่งคือประตูสู่ความหลุดพ้นถ้าเราหมวเอานี่เอานั่นไม่เอานี่ไม่เอานั่นไม่มีวันเป็นกลาง ถ้าไม่มีวันเป็นกลางก็ไม่มีวันหลุดพ้นความหลุดพ้นที่ได้จากการปรับแต่งจิตใจเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริง อิสระภาพที่แท้จริงหาไม่ได้ในโลกนี้ที่ผมถามคำถามตั้งแต่แรกว่าพวกเราเคยรู้สึกเป็นอิสระกันบ้างหรือยังไม่มีทางที่เราจะเคยรู้สึก พราะเส้นทางไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงอาศัยการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือการเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้น อิสรภาพที่แท้จริงคือการที่ไม่มีสิ่งใดไม่ว่ากายหรือจิตนี้จะมีอิทธิพลต่อเราได้ อิสรภาพที่แท้จริงเป็นสภาพที่ไม่มีอัตราไม่มีคนที่จะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวเนื่องด้วย อย่างเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเราหนีไม่พ้นมีความเกี่ยวเนื่องกันเราหนีไม่พ้นแต่สิ่งที่เรามีได้คือความเป็นอิสระจากความเกี่ยวเนื่องนั้ น, น, น เหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งแปลว่าตัวเราที่แท้จริงเป็นเพียงสนามพลังงานที่เป็นอิสระคนอิสระภาพในศาสนาพุทธ มันลึกซึ้งขณดที่ผมบอกว่าเรายังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์มีสมมุติหรือที่ผมบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยที่เนื่องกันในชีวิตของเราของเขาในฐานะเช่นอาจารย์ลูกศิษย์เพื่อน แต่สิ่งที่ต่างไปคือมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ มัน เ, เพื่อจะไปถึงจุดๆนั้นหลักปฏิบัติต้องแม่นมากไม่ใช่แค่แม่นจะทำอะไรทบทวน อันนี้ใช่เห็นตามความเป็นจริงไหมใครให้เราทำอะไรทบทวนอันนี้ใช่เห็นตามความเป็นจริงไหมถามตัวเองถามตัวเองไม่ต้องมีเรื่องกับคนบอก การเห็นตามความเป็นจริงเป็นลักษณะของความเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นความอิสระเบื้องต้นมพราะนันเราเริ่มที่ความอิสระที่ผมเคยบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันเริ่มที่นี่และจบที่นี่ ให้เข้าใจแบบนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปเป็นนั่นเป็นนี่ทำให้เป็นงั้นทำให้เป็นงี้ก่อนเราฝึกที่จะไม่เป็นอะไรไม่ใช่เป็นนู่นเป็นนี่ก่อนแล้วค่อยไม่เป็น การปฏิบัติธรรมที่ไม่มีหลักจะมีแต่ความดิ้นรนอยากดีอยากดีกว่านี้จะทำยังไงให้ดีกว่านี้ทั้งหมดมันตกจากการเห็นตามความเป็นจริงเคยฟังเพลงมะ พี่เตอ๋อเลวัดคนหนอคนเป็นอะไรกันหรือคนใหญ่จึงวกวนทั้งคนทั้งคว้าไขา่หรือว่าคนเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าความเป็นคนอยู่ตรงไหน ความเป็นคนก็อยู่ตรงที่ดิ้นลนและคว้าไข่นั่นแหละไม่อยู่ตรงไหนหรอกอยู่ตรงนั้นเลยวันนั้นเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากความเป็นคนไปสู่ความอิสระ จำไว้ที่หลวงพ่อบอกว่าตัวเราที่แท้จริงเป็นเพียงแค่สนามพลังงานอิสระจำไว้ก่อนนีหลวงพ่อเราเป็นฝรั่ง ก็พูดได้ตามสิ่งที่ตัวเองเห็นตัวเองประสบพบเจอมาภาษาครูบาอาจารย์เราก็เรียกว่าธาตุรู้ธรรมธาตุพุทธะสภาพที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงก็แปลว่าอิสระใช่ไหม หลวงพ่อเราก็บัญญัติสับส่วนตัวของตัวเองอินดิเอนเดนต์เอเนจีฟิล